เมืองนรกอยู่ที่ไหนเรื่องนรกที่เขียนลงในฉบับที่แล้วยังไม่หมดยังมีปัญหาอีกหลายข้อที่ข้าพเจ้าเรียนถามท่านครูบาสีวิชัยซึ่งปัญหาแต่ละข้อที่ข้าพเจ้าเรียนถามท่านก็พยายามถามเฉพาะเท่าที่เห็นว่าสมควรที่คนในโลกมนุษย์จะต้องรู้เอาไว้และเป็นปัญหาที่ไม่ยากจนเกินไปคนส่วนมากเมื่อได้อ่านแล้ว สามารถที่จะเข้าใจและเชื่อถือได้ความเชื่อโดยไม่เข้าใจมีโทษหลายอย่างถ้าไม่เข้าใจอะไรก็ไม่ควรจะเชื่อเว้นไว้แต่จะมองเห็นประโยชน์ของความเชื่อและสำหรับในปัญหาเรื่องนรกที่ข้าพเจ้านำมาเล่าให้ฟังนี้ข้าพเจ้าก็ได้ถือหลักสองข้อคือหนึ่งคนส่วนมากสามารถเข้าใจเหตุผลได้ 2- คนส่วนมากสามารถเชื่อถือได้ซึ่งความเชื่อถือที่ว่านี้จะต้องกลมกลืนหรืออยู่ในหลักแห่งคําสอนของพระพุทธเจ้าด้วยท่านได้บอกให้ข้าพเจ้าทราบว่าคนที่จะเข้าใจเรื่องรกตามที่ท่านบอกด้วยตนเองจริงๆนั้นจะต้องเข้าใจเรื่องวิญญาณอย่างลึกซึ้งโดยเฉพาะคือเรื่องวิญญาณในวัตถุที่ร้ชีวิตท่านบอกว่าความเข้าใจอันนี้ เป็นกุญแจดอกสำคัญเพราะทุกอย่างในโลกของโอปปาติกะเกิดจากวิญญาณทั้งสิน้นแต่ท่านก็บอกว่าคนในโลกโอปปาติกะที่ไม่เข้าใจถึงเรื่องวิญญาณซึ่งสามารถสร้างทุกสิ่งทุกอย่างดังที่เขาเห็นอยู่นั้นก็มีจำนวนมากมายยิ่งกว่าคนในโลกมนุษย์เสียอีกคนที่จะเข้าใจว่าทุกอย่างในโลกของโอปปปาติกะเกิดจากวิญญาณ จะต้องเป็นผู้ที่มีการศึกษามาดีมีพื้นจิตใจสูงสามารถเข้าใจอะไรได้ง่ายและท่านบอกว่าในโลกของมนุษย์ก็เหมือนกันทุกอย่างก็เกิดจากวิญญาณแต่จะมีสักกี่คนที่สามารถเข้าใจเรื่องนี้แม้แต่ในกลุ่มของผู้ที่นับถือว่าพระเจ้าเป็นผู้สร้างโลกและสิ่งทั้งปวงในโลกคนที่เชื่ออย่างนี้มีมาก แต่คนที่เข้าใจอย่างถูกต้องจริงๆว่าพระเจ้าคืออะไรก็มีเพียงไม่กี่คนเพราะฉะนั้นจึงเป็นการยากมากเท่าที่ท่านบอกมานี้ความประสงค์ก็เพื่อต้องการจะให้เป็นพื้นฐานสำหรับไปศึกษาต่อในโลกของโอปปาติกะเพราะว่าเรื่องทั้งหลายจะจำแจ้งก็ต่อเมื่อมาเกิดเป็นโอปปาติกะเท่านั้น แต่ต้องเป็นโอปปปาติกะที่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องวิญญาณเป็นพื้นฐานอยู่บ้างไม่เช่นนั้นแล้วทั้งๆ ท, ที่ตัวเองได้เข้ามาอยู่ในโลกของวิญญาณแต่ก็จะไม่เข้าใจอะไรเลยเหมือนกับคนที่เกิดมาในโลกมนุษย์ถ้าพื้นเดิมเป็นคนที่มีสติปัญญาต่ำศึกษาสิ่งที่ลึกซึ้งไม่ได้แม้จะได้มีโอกาสศึกษาวิชาลึกซึง้งก็ไม่อาจที่จะเข้าใจได้ ถ้ายิ่งไม่ได้รับการศึกษาก็ยิ่งจะไม่เข้าใจเลยแม้กระทั่งเรื่องของตัวเองเรื่องของพื้นแผ่นดินที่ตัวเองอาศัยอยู่อย่างนี้เป็นต้นท่านบอกว่าผู้ที่จะศึกษาเรื่องนรกให้เข้าใจจะต้องมีพื้นความรู้เกี่ยวกับเรื่องวิญญาณไม่อย่างพอสมควรและอย่าเพิ่งเอาความคิดในด้านวัตถุมาใช้เป็นอันขาดนอกจากจะเข้าใจเรื่องวิญญาณดีแล้ว ก็สามารถจะเอาแนวความคิดในด้านวัตถุมาประยุกต์กันได้เป็นอย่างดีปัญหาที่ข้าพเจ้าถามท่านก็คือดินแดนของนรกที่ว่าเป็นถิ่นที่แห้งแล้งกันดานนั้นความจริงดินดานนี้อยู่ที่ไหนคืออยู่ในโลกมนุษย์นี่เองซึ่งหมายถึงอยู่ในที่บางแห่งของโลกมนุษย์ที่กันดานแห้งแลง้งหรือว่าถิ่นนรกที่กันดานแห้งแล้งนี้ อยู่อีกโลกหนึ่งโดยไม่เกี่ยวข้องกับโลกมนุษย์เลยท่านผู้อ่านโปรโดเข้าใจไว้ด้วยว่าถินนรกที่ถามนี้หมายถึงนรกขุมหนึ่งหรือแดนหนึ่งที่มีสภาพอย่างนี้ไม่ใช่หมายความว่าสภาพของเมืองนรกทั้งหมดเป็นถินที่มีลักษณะอย่างนี้เพราะฉะนั้นโปรโดจำไว้ให้ดีถินนรกที่กล่าวถึงนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น สภาพเมืองนรกที่มีลักษณะผิดแผกแตกต่างจากนี้ยังมีอีกมากมายและสำหรับปัญหาข้อนี้ท่านได้ตอบดังต่อไปนี้ผินนรกที่กันดานดังที่กล่าวมานั้นมีทั้งสองอย่างคือที่อยู่ในโลกมนุษย์ก็มีและที่อยู่ในโลกอื่นก็มีท่านบอกว่าให้ดูตัวอย่างจากพวกโอปปาติกะที่อยู่กับมนุษย์ ซึ่งหมายถึงพวกที่อยู่ตามบ้านต่างๆหรืออยู่ตามต้นไม้หรืออยู่ตามป่าตามภูเขาแม่น้าและที่อื่นๆเราเข้าใจกันอยู่แล้วว่าพวกโอปปาติกาที่อยู่กับมนุษย์หรืออยู่ในโลกของมนุษย์มีได้แต่เมื่อเข้าใจอย่างนี้หรือเชื่ออย่างนี้แล้วก็อย่าคิดว่าพวกโอปปาติกะมีเฉพาะในโลกมนุษย์เท่านั้นเพราะพวกที่อยู่ในอวกาศ และอยู่ในโลกอื่นคือในดาวนกพเคราะห์ดวงอื่นก็ยังมีอีกมากถ้าหากท่านเข้าใจคาว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกมนุษย์ก็คือปรากฏการของวิญญาณทั้งสิน้นดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าสิ่งทั้งหลายสำเร็จมาแต่วิญญาณถ้าเข้าใจเช่นนี้แล้วก็จะเข้าใจเรื่องถิ น, นรกในโลกของโอปปปาติกาไม่ยากเลย หรือเพื่อให้เข้าใจง่ายก็ขอให้นึกถึงคำสอนในทางคริสตศาสนาที่ว่าแต่เดิมทีเดียวโลกนี้ไม่มีทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ก็ไม่มีมีแต่ความว่างเปล่าและในความว่างเปล่านี้ได้มีพระผู้เป็นเจ้าซึ่งมีสภาพเป็นวิญญาณคือเป็นนามธรรมแทรกซึมอยู่ทั่วไปพระผู้เป็นเจ้าดังที่กล่าวมานีหละที่ได้ทรงบันดาลให้เกิดโลก และสิ่งทั้งปวงในโลกรวมทั้งมนุษย์ซึ่งเป็นสิ่งสุดท้ายที่พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงสร้างขึ้นมามหมายเหตุผู้อ่านซึ่งวิทยาศาสาตร์ในปัจจุบันก็ยอมรับกันแล้วนะครับว่ามีพลังงานชนิดหนึ่งที่เป็นต้นกาเนิดของทุกสรรพสิ่งแล้วเรียกในเบื้องต้นกันว่าอนุภาค พ, พระเจ้าที่ต่อมาภายหลัง ในการทดลองในจักรวาลจำลองก็พบว่ามีการก่อกำเนิดอนุภาคขึ้นมาจากความว่างได้จริงแต่ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันนั้นคงต้องใช้เวลาอีกมากหรืออาจจะไม่มีทางพิสูจน์พลังงานทางนมธรรมหรือสภาพแห่งวิญญาณได้เลยท่านเปรียบเทียบไว้ว่าการจะพิสูจน์อะไรนั้นก็ต้องใช้อายตนะที่ตรงกับสิ่งนั้นเช่นรูปก็ต้องเห็นด้วยตาเสียงก็ต้องฟังด้วยหู เอาตาไปรู้เสียงไม่ได้และนมามธรรมนั้นเป็นสิ่งที่รู้ได้ด้วยใจก็ต้องฝึกเพื่อพิสูจน์กันด้วยใจหากฝึกสมาธิได้ชานสี่กันจริงจะไม่มีใครสงสัยเลยว่าผีและเทวดาหรือโอปปปาติกะหรือพลังแห่งวิญญาณไม่มีจริงเรื่องทางนมามธรรมนั้นจะพิสูจน์ให้ชัดได้ทางใจเท่านั้นแต่ทั้งนี้แม้จะไม่ได้สมาธิขั้นสูง ก็ยังมีหลักบางอย่างที่พอจะเทียบเคียงให้เข้าใจในเบื้องต้นได้เช่นกันนะครับเหมือนการที่มนุษย์ส่วนใหญ่ไม่เคยออกไปนอกโลกไม่เคยเห็นโลกด้วยตาตัวเองว่าโลกลมแต่ด้วยอาศัยว่าเราเชื่อหลักทางวิทยาศาสตร์เชื่อว่าการถ่ายภาพได้มีจรงิงจึงเชื่อตามภาพที่เห็นว่าโลกลมหรือตามที่นักวิทยาศาสตร์บอกว่าโลกลมโดยที่เราส่วนมากไม่เคยออกไปเห็นด้วยตาตัวเองเลยว่าโลกลมจริงหรือไม่ อันนี้เป็นหลักที่เราเห็นว่าบางอย่างแม้จะไม่ได้รู้เห็นด้วยตัวเองก็สามารถใช้ศรัทธาหรือการอุปมาเปรียบเทียบได้เช่นกันนะครับครูบาศีวิชัยท่านบอกว่าถ้าไม่สามารถที่จะเข้าใจเรื่องวิญญาณตามที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนไว้ก็ขอให้เชื่อหรือเข้าใจอย่างที่ทางคลิกศาสนาสอนในเรื่องพระเจ้าดังที่กล่าวมานั้นไว้ก่อนก็ใช้ได้ ทั้งนี้เพื่อจะได้อาศัยเกาะหรือยึดแนวคิดในอันที่จะให้เข้าใจความหมายจริงแท้ในภายหลังคือเท่ากับเป็นการตะล่อมแนวความคิดให้ไปสู่แนวความคิดที่ถูกแต่ข้อสำคัญอย่ายึดมั่นว่าความเข้าใจและความเชื่ออย่างที่ตัวเองมีอยู่ในขณะ น, นี้นั่นแหละคือความจริงเงินทองแท้แล้วท่านบอกว่าความเชื่อเนเรื่องพระเจ้า ตามแนวความคิดของคริสตศาสนานั้นเป็นจุดเริ่มต้นที่จะชักจูงแนวความคิดของเราไปสู่ความจริงอันสุดท้ายซึ่งผู้ที่จะก้าวหน้าไปได้เรื่อยๆตามแนวความคิดอันนี้ก็ต่อเมื่อได้ศึกษาเรื่องวิญญาณตามที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนไว้เท่านั้นทั้งนี้ก็เพราะเหตุที่ว่าบรรดา น, นักปรารในทางคริสตศาสนาก็ดี ในทางฮินดูก็ดีและในทางพระพุทธศาสนาก็ดีประเภทที่ไม่มีทิฏฐิมานะทำใจให้กว้างได้เสมอนั้นพวกนี้เมื่อตายจากโลกมนุษย์มาเกิดในโลกของโอปปาติกะมาอยู่ในภูมิเดียวกันเพราะเหตุที่มีระดับภูมิทำเหมือนกันหรือใกล้เคียงกันนั้นท่านเหล่านี้เมื่อได้มาพบปะสนทนากันแล้วต่างฝ่ายก็จะรู้สึกว่า ความเชื่อในทางศาสนาทุกศาสนาในโลกมนุษย์นั้นต่างก็มีประโยชน์และจำเป็นสำหรับคนในโลกทั้งสิน้นซึ่งหมายความว่าจะให้คนทั้งโลกซึ่งมีระดับสติปัญญาและสิ่งแวดล้อมไม่เหมือนกันนับถือศาสนาอย่างเดียวกันท่านบอกว่าเป็นไปไม่ได้เหมือนเหมือนอย่างว่าสมมุติว่ามีประเทศหนึ่งประเทศใดก็ตาม จัดระบบการศึกษาในขั้นมหาวิทยายลัยอย่างกว้างขวางมากเพื่อให้ทุกๆคนที่เป็นพลเมืองของประเทศนั้นได้ศึกษาในขั้นมหาวิทยายลัยทั้งสิน้นโดยไม่ต้องเสียสตางท่านบอกว่าแม้รัฐบาลจะพยายามช่วยสักเพียงไรก็ตามมันก็เป็นไปไม่ได้ที่พลเมืองทั้งหมดของประเทศนั้นจะเข้าเรียนในขั้นมหาวิทยายลัยได้เพราะระดับสติปัญญา และอุปนิสัยใจคนแตกต่างกันและพวกที่มีระดับสติปัญญาสูงพอที่จะเข้าเรียนในขั้นมหาวิทยาลัยได้นั้นก็มีเป็นส่วนน้อยไม่ใช่ว่าทุกคนจะเข้าเรียนได้ในโลกที่จำเป็นจะต้องมีศาสนาต่างๆก็เพราะเหตุที่คนเราเกิดมามีอะไรไม่เหมือนกันแต่ทุกท่านก็ยอมรับว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ประเสริฐสุด เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายแนวความคิดดังที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนไว้นั้นประเสริฐที่สุดแต่เพราะเหตุที่ทุกคนย่อมไม่สามารถที่จะปฏิบัติ ต, ตามคาสอนของพระพุทธเจ้าได้เพราะฉะนั้นศา ส, สนาต่างๆจึงจำเป็นจะต้องมีแม้แต่ในสมัยที่พระองค์ยังทรงชีวิตอยู่ศา ส, สนาต่างๆที่นอกเหนือไปจากพระพุทธศาสนา ที่มีคนนับถือมากมายก็ยังมีอยู่ท่านย้ำบ่อยๆว่าผู้ที่จะเข้าใจเรื่องนรกได้จริงๆนั้นข้อสำคัญเราจะต้องเข้าใจเรื่องวิญญาณอย่างลึกซึง้งซึ่งจะศึกษามาจากแง่ไหนก็ตามแต่ในที่สุดจะต้องมองให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างสำเร็จมาจากวิญญาณและท่านบอกอีกว่า จะเข้าใจคำสอนของพระพุทธเจ้าบทนี้ได้ดีก็ต่อเมื่อต้องศึกษาเรื่องโลกของโอปปปาติกะเปรียบเทียบด้วยและในทํานองเดียวกันการที่จะเข้าใจว่าเมืองนรกอยู่ที่ไหนและทำไมจึงมีได้นั้นก็ต้องเข้าใจเรื่องโลกมนุษย์เป็นอย่างดีด้วยท่านบอกว่าพวกนรกซึ่งอยู่ในถิ่นกันดานหรือว่าอยู่ในภูมิไหนก็ตาม ไม่มีแม้แต่คนเดียวที่จะเข้าใจว่าตัวเขาเองก็ดีสภาพสิ่งแวดล้อมที่เขามองเห็นอยู่ก็ดีว่าสิ่งเหล่านี้เกิดจากวิญญาณท่านบอกว่าคนในนรกนี้จะเข้าใจอย่างนี้ไม่มีเลยทั้งๆ ท, ที่ตนเองอยู่กับข้อเท็จจริงแล้วท่านได้เตือนสติว่ากวกวัตถุนิยมซึ่งมีอยู่ในโลกมนุษย์ไม่ใช่น้อย คือพวกที่เข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างย่อมเกิดขึ้นมาตามธรรมชาติซึ่งธรรมชาติที่เขาหมายถึงนั้นหมายถึงกฎเกณฑ์ทางวัตถุอย่างที่นักวิทยาศาสตร์อธิบายไว้พวกเหล่านี้ไม่ยอมรับว่าคนเราจะเกิดขึ้นมาได้ก็ต่อเมื่อมีวิญญาณมาเกิดไม่ยอมรับว่าวิญญาณเป็นผู้สร้างชีวิตไม่ยอมรับว่าคนเราเมื่อตายแล้ววิญญาณยังอยู่ ไม่ยอมรับว่าชีวิตที่เรียกว่าโอปปาตติกะมีจริงพวกที่อยู่ในนรกไม่ว่าจะอยู่ในขุมไหนล้วนแต่เป็นพวกที่มีความคิดแบบนี้มาก่อนทั้งนั้นแต่ทั้งนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าพวกวัตถุนิยมจะต้องตกนรกทุกคนพวกวัตถุนิยมที่มีจิตใจประกอบด้วยความเมตตากรุณามีความยุติธรรม ชอบทำประโยชน์แก่ผู้อื่นพวกวัตถุนิยมที่มีลักษณะอย่างนี้ก็มีอยู่ไม่น้อยเหมือนกันเฉพาะพวกที่อยู่ในกลุ่มนี้ตายไปแล้วไม่ตกนรกแต่จะไปอยู่ในสวรรค์ชั้นดีคือสวรรค์ของพวกชั้นปัญญาชนอยู่กับเขาไม่ได้และในที่สุดท่านบอกว่าเรื่องที่ท่านบอกมานี้ก็อย่าเพิ่งเชื่อทันทีให้พิจารณาดูก่อน เพราะความเชื่อโดยไม่เข้าใจนั้นถ้าเป็นการเชื่อในทางที่ถูกต้องซึ่งถึงแม้ว่าจะเป็นสิ่งที่จำเป็นที่ควรจะมีไว้ก่อนแต่ท่านเองก็ไม่ค่อยจะชอบเพราะมันทำให้คนเราไม่ก้าวหน้าในทางความคิดและมันจะทำให้เกิดความหลงผิดหรือเกิดความงมงายในบางสิ่งบางอย่างได้ง่ายแต่หากว่าจะเชื่ออะไรต่อเมื่อเห็นว่ามีเหตุผลหรือมีหลักเกณฑ์ที่ดี ก็จะได้เป็นการชักจูงให้รู้จักคิดรู้จักค้นคว้าและในที่สุดก็จะทำให้เกิดปัญญาที่สมบูรณ์เพราะฉะนั้นท่านจึงบอกว่าอย่าพึ่งเชื่อทีเดียวคิดดูห ล, หลายๆครั้งเมื่อเห็นว่ามีเหตุผลจึงค่อยเชื่อเรื่องที่กาพเจ้าได้กราบเรียนถามท่านยังมีอีกมากและสำหรับในคราวหน้า จะได้นำเรื่องเกี่ยวกับสารพระภูมิมาเล่าให้ท่านฟังแล้วท่านจะรู้ว่าความจริงเกี่ยวกับเรื่องสารพระภูมิเป็นอย่างไรกันแน่ซึ่งเราจะได้ฟังคำบอกเล่าจากท่านที่อยู่ในโลกที่ไกลๆก็อยากจะตั้งสารพระภูมิให้ท่านโดยตรงทีเดียว